บทภาชนีติกะปาจิตตี500ยังไม่ได้รับแจ้งภิกษุสําคัญว่ายังไม่ได้รับแจ้งก้าวล่วงธรณีประตูเข้าไปต้องอบัติภาจิตตียังไม่ได้รับแจ้งภิกษุไม่แน่ใจก้าวล่วงธรณีประตูเข้าไปต้องอบัติภาจิตตียังไม่ได้รับแจ้งภิกษุสําคัญว่าได้รับแจ้งแล้วก้าวล่วงธรณีประตูเข้าไปต้องอบัติภาจิตตีทุกกฎได้รับแจ้งแล้วภิกษุสําคัญว่ายังไม่ได้รับแจ้งต้องอบัติทุกกฎ ได้รับแจ้งแล้วภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้รับแจ้งต้องอาบัตทุกกฎได้รับแจ้งแล้วภิกษุสำคัญว่าได้รับแจ้งแล้วไม่ต้องอาบัต